โอสารนาสองอย่าง396ภิกษุทั้งหลายโอสารนาการเรียกเข้าหมูมีสองอย่างนี้คือภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกรับเข้าหมูถ้าสงรับบุคคลนั้นเข้าหมูบางคนเป็นอันรับเข้าดีก็มีบางคนเป็นอันรับเข้าไม่ดีก็มี